สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราอยู่ในเรื่องราวของความถ่อมใจของจำได้นะครับว่ามีผู้ที่ถามผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งว่าเงื่อนไขหรือเคล็ดลับที่สาคัญที่สุดในการรับใช้มีอะไรบ้างเขาตอบว่าถ่อมใจถ่อมใจและถ่อมใจถ่อมใจต่อพระเจ้าท่อมใจต่อเพื่อนมนุษย์ และถมใจต่อตัวเองครับเมื่อเราถ่อมใจนั้นเราก็จะเข้าใจคนอื่นเราก็จะเข้าถึงคนอื่นและเราก็จะเข้าใกล้คนอื่นเข้าใกล้คนอื่นเข้าถึงคนอื่นเข้าใจคนอื่นนั้นในเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นทีมเวิร์กหรือทีมงานพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาเหตุแห่งการการะทําครับ สาเหตุแห่งการกระทําของกฎทองคําข้อที่6ครับสาเหตุที่เราจะต้องมีทีมเวิร์กเราจะต้องมีทีมงานที่ดีเราจะต้องรับใช้พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจนั้นก็มาจากความรักกับพี่น้อง2ทีดโมทีบทที่1ข้อที่5ความรักบังเกิดมาจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์ สุภาษิต บ, บทที่สีข้อยีจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจสุภาษิต บ, บทที่16บหข้อยีบองบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้สุภาษิต บ, บทที่3ข้อบบุตรชายของเราเอย๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถิด และขอให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราพี่น้องครับขอบ้อพิมพีที่กล่าวอ้างมาทั้งหมดนั้นล้วนกล่าวถึงความสำคัญของจิตใจครับหากใจของเราไม่ตรงทุกสิ่งทุกอย่างก็คดไปหมดคุ้ยเขวไปหมดหากใจของเราไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงตามไปด้วยกล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือว่าสาเหตุแห่งการกระทา ที่ดีนั้นก็นำมาซึ่งการงานที่ดีครับสาเหตุแห่งการกระทาที่ไม่ดีการงานทุกอย่างก็มีปัญหาไปหมดพี่น้องครับเหตุหรือแรงจูงใจต้นตอที่มาของการกระทำนั้นสําคัญครับเราจะต้องให้เหตุแห่งการจูงใจหรือที่มาของการรับใช้ของเรานั้นมาจากความรักครับ เพราะฉะนั้นเราเองนั้นจะต้องรักษาความรักที่อยู่ในใจของเราให้ชัดเจนให้เที่ยงรักษาใจของเราให้เที่ยงเพื่อที่เราจะมีความรักที่แท้จริงได้พี่น้องครับบางคนเขารับใช้ด้วยสาเหตุที่ไม่ดีแรงจูงใจที่ไม่ถูกครับใช้เพื่อสแสวงหาเกียรติหาเกียรติให้ตัวเองสแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง แสวงหาชื่อเสียงให้ตัวเองแสวงหาตำแหน่งหาฐานะไม่ว่าเขาจะทำดีแค่ไหนครับล้วนไม่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแม้แต่น้อยในที่สุดการรับใช้ของเขาการทุ่มเทของเขาก็เสียเปล่าครับอภิจาว่างเปล่าไปหมดพี่น้องครับคนที่รับใช้ด้วยสาเหตุที่ไม่ดีแรงจูงใจที่ไม่ดี หาบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่หาความพึงพอใจของพระเจ้าไม่หาความพอพัไทยของพระเจ้าแล้วแล้วก็สิ่งต่างที่รับใช้นั้นก็จะกลายเป็นอนิจจังไปทั้งสิน้นพี่น้องครับในพ ร, พระเจ้านั้นมีตัวอย่างกีเดโอครับกีเดโอนนั้นหรือ ก, กีเดียนสร้างเอโฟดในพระธรรมผู้นิชัยบทที่8 เดิมทีนั้นกิเดโอหรือกิเดียนนั้นเป็นนักรบที่กล้าหาญมากเขาออกไปทำสงครามสู้รบเพื่อพระเจ้าต่อมาเมื่อเขาประสบความสำเร็จนิสัยเขาแรงจูงใจของเขาสาเหตุแห่งการกระทำของเขาทั้นก็เปลี่ยนไปเขามีจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่จบไม่ดีเอฟตที่สร้างขึ้นมานั้น ดูผิวเผินเหมือนเป็นเรื่องศาสนาแต่เนื้อแท้นั้นเป็นการยกย่องตัวเองครับเพื่อระลึกถึงความดีความชอบของตัวเองรู้ได้ไงไครับเหตุผลคือรูปปั้นนี้สร้างที่เมืองตนเองเท่ากับทาอนุสารีให้ตนเองในที่สุดชาวอิสราเอลก็กราบไหว้รูปเอโฟนั้นและตกอยู่ในความบาปผิดและรูปปั้นนี้กลายเป็นบ่วง ดักกิเดโอนและพงพันของเขาซึ่งเราพบอยู่ในพระธรรมผู้นิชัยบทที่8ข้อที่27ครับพี่น้องครับสาเหตุแห่งการกระทํานั้นสำคัญเราจะต้องตรวจสอบดูแรงจูงใจของเราท่าทีของเราและที่มาของการรับใช้ของเราพี่น้องครับการปฏิบัติรับใช้นั้นก็เป็นผลของเหตุ ถ้าเหตุไม่ดีไม่ตรงเหตุนั้นต้องการรับใช้เพื่อแสวงหาชื่อเสียงการยอมรับแสวงหาให้คนนั้นได้เป็นที่รู้จักเรานั่นแหละครับคือเป็นที่มาที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับถ้าเรากลับใจใหม่การรับใช้ของเราก็จะเป็นการรับใช้ที่ดีที่ถูกต้อง การแชร์ของเรานั้นพระเจ้าก็จะเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญสิ่งที่เราทํานั้นก็จะไม่สูญเปล่าครับพระเจ้าจะสถาปนาการงานของเราสืบต่อไปให้เกิดผลดีในทางของพระเจ้าต่อไปตลอดนี่คือหัวใจสําคัญของการรับใช้ครับต้องตรวจสอบดูที่มาที่ไปต้องชัดเจนในเรื่องแรงจูงใจต้อง รู้ว่าเรารับใช้เพราะอะไรเพื่อใครคาตอบคือเพราะตอบสนองเพราะต้องการตอบสนองความรักของพระเจ้าเพราะต้องการที่จะทดแทนสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเรานั่นคือพระคุณครับและเพื่อใครก็คือเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองครับและนี่คือแรงจูงใจที่มาของการรับใช้พระเจ้าที่ถูกต้อง จากตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าใจได้ครับว่าที่มานั้นสําคัญกว่าที่ไปสาเหตุนั้นสําคัญกว่าผลงานพี่น้องครับพระเจ้าดูที่แรงจูงใจครับพระเจ้าดูที่ต้นต่อมากกว่าดูที่ผลลัพธ์ครับเพราะฉะนั้นต้นต่อสําคัญครับพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องปรับต้นต่อของเราเสียใหม่สําหรับการรับใช้ในบางเรื่องบางด้านบางคนครับ เพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงจูงใจหรือต้นตอต้นเหตุแห่งการกระทําต้นเหตุแห่งการรับใช้ของเรานั้นก็ไม่ชัดเจนไม่โปรง่งใสและไม่ถูกต้องต่อไปครับประเด็นที่7การที่พระเจ้าทรงรู้ก็สำคัญมากกว่าการที่มนุษย์รู้พระเจนะของพระเจ้านั้นในพระธรรมหนึ่งโครินท์บทที่8ข้อที่3ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า ผู้นั้นพระเจ้าก็รู้จักเขาถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้นคนใดคนหนึ่งหากเขามีการกระทำเพราะเขารักพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะทรงระลึกถึงเขาอย่างแน่นอนพระเจ้าก็พอพระทัยในความรักที่เขามีกับพระเจ้ามนุษย์จะรู้คนอื่นจะรู้ไม่รู้เขาไม่สนใจครับ การรับใช้แบบนี้จึงเป็นการรับใช้ที่แท้จริงการรับใช้แบบนี้จึงเป็นการรับใช้ที่มีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าพอพระทัยโปรดปรานพี่น้องครับเรารักพระเจ้าเราอาจจะไม่ต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้แต่พระเจ้ารู้และเรารักพระเจ้าเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะเรารักพระองค์ที่สอดคล้องกับที่มาที่ไปครับ เมื่อมีที่มาที่รักพระเจ้าต้องการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามนุษย์จะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรครับการที่พระเจ้าทรงรู้สําคัญกว่าการรู้ของมนุษย์พี่น้องครับนั่นคือการรับใช้ที่แท้จริงนั่นคือการรับใช้ที่มีค่ามีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นคือการรับใช้ที่พระเจ้าพอบัคไัยและโปรดปรานครับพี่น้องครับคริสเตียนหลายคนกังวลครับว่า สิ่งที่เขากระทำอยู่นั่นคนอื่นไม่รู้พยายามเป่าประกาศพยายามโฆษณาพยายามที่จะประชาสัมพันธ์บอกคนอื่นเพื่อยกย่องตัวเองท่าทีอย่างนี้ผิดครับภายในจิตใต้สานึกคิดว่าคนไม่รู้ฉันก็ไม่ทำนั่นคือจิตํานึกที่ไม่ชอบพี่น้องครับการที่บอกว่าคนไม่เห็น ฉันก็ไม่ทำคนไม่รู้ฉันก็ไม่ทำฉันทำเพื่อให้คนรู้ว่าฉันทำฉันทาเพื่อเป็นการเปล่าประกาศพี่น้องครับสิ่งที่ทำนั้นก็กลายเป็นการแสดงให้คนอื่นเห็นเพื่อให้ได้รับคำชมคนอาจจะปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่พี่น้องครับรู้อยู่แก่ใจครับและในขณนะดเดียวกันพระเจ้าก็รู้เพราะฉะนั้น อย่าหลอกพระเจ้าอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกคนอื่นครับพระเยซูตรตัสว่าจงระวังเมื่อท่านทำทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำนั้นมัทธิวบทที่6ข้อสได้บอกว่าอย่ากระทำศาสน ก, กิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าท่านทาเช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับบาเหน็จจากพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์พี่น้องครับการทำดีที่แท้จริงนั้นคือมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาได้ทำอะไร มีความหมายว่าไม่เปล่าประกาศคนเห็นก็เห็นครับคนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระเจ้าเห็นคนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรพระเจ้ารู้มีสำนวนแบบคิสเตียนว่าคิสเตียนที่ปิดทองหลังกางเขนนั้นเป็นคิสเตียนที่พระเจ้าจะยกย่องพี่น้องครับคิสเตียนที่ทำโดยที่คนอื่นรู้ ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่จำเป็นนั่นแหละครับคือการปฏิบัติรับใช้ที่แท้จริงแต่คิดสเตียนคนอื่นที่ทำบางสิ่งอย่างเพื่อคนอื่นเห็นเพื่อยกย่องตัวเองเพื่อให้คนอื่นชื่นชมเรานั่นแหละครับคือแรงจูงใจที่ผิดพี่น้องครับมาถึงตรงนี้ผมเชื่อแน่ว่าเราหลายคนนั้นจะต้องกลับใจใหม่ครับในท่ามกลางเรา ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้สิ่งที่เราทานั้นจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและโปรดปรานสิ่งที่เราทํานั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สูญเปล่าครับพี่น้องครับรีบๆกลับใจเถอะครับเราจะได้ไม่สูญเปล่าในสิ่งที่เราทาขอพระเจ้าเมตตาขอการทรงนำของพระเจ้าขอการจะไ่โทษจากพระเจ้าแล้วการรับใช้ของเรานั้นพระเจ้าจะสสสถาปนาไว้ครับไม่สูญเปล่าเรียลแรงกาลังที่เรา ทุ่มเทลงไปนั้นไม่ใช่เพื่อความพึงพอใจรับคำชมเชยจากคนอื่นแต่เพื่อความพึงพอพระทัยของพระเจ้าและในที่สุดพระเจ้าจะสถาปนาไว้ซึ่งการงานของเราและพระเจ้าจะชมเชยแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับที่พระเจ้าจะให้กับเราและเราจะได้รับจากพระเจ้าในวันสุดท้ายอาเมน